ที่สามแพงกรุงเทพใต้ถ so no yeah. no ้าเราคิดเรื่องงานอยู่เราไม่ต้องคิดพุทโธซ้อนเพราะว่าเราจะคิดเรื่องงานไม่ได้มันจะคิดซ้อนกันไม่ได้คิดเรื่องงานแล้วก็เอาความคิดเรื่องงานมาแทนความคิดพุทโธแล้วก็เรามีสติรู้ตัวตลอดเวลาว่ากำลังคิดเรื่องงานอยู่แต่พอคิดเรื่องงานแล้วเผลอไปคิดเรื่องอื่นแตกตอนเข้ามาก็มีสติรู้ว่ามีความคิดอย่างอื่นแตกตอนความคิดเรื่องงานขึ้นมา อย่างนี้ความคิดเรื่องงานก็ขาดไปแต่มีความคิดอื่นแจกต้อนเขามาในความคิดเรื่องงานก็มีสติรู้ว่าแบบนี้ความคิดเรื่องงานขาดไปมีความคิดอื่นแจกซ้อนขึ้นมาการที่มีสติรู้ต่อเรื่องอย่างนี้เรียกว่าความคิดเรื่องงานขาดแต่สติไม่ขาดเวลาเราคิดเรื่องงานอยู่เราก็ไม่ต้องคิดพุดโธซ้อนเราก็รู้ตัวตลอดเวลาว่าเรากําลังคิดเรื่องงานอยู่แต่พอคิดเรื่องงานแล้วก็ฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องงาน แล้วเราก็รู้ตัวว่าขณะนั้นเนี่ยจิตใจคลุ้งคลั่งไปคิดเรื่องอื่นอย่างเนี้ความคิดเรื่องงานขาดแต่สติไม่ขาดเพราะพอความคิดเรื่องงานขาดสติก็รู้ทันทีว่าความคิดเรื่องงานขาดแล้วเราก็กลับมาคิดเรื่องงานใหม่สติก็รู้ว่าแบบนี้กลับมาคิดเรื่องงานใหม่อย่างนี้เรียกว่าความคิดเรื่องงานขาดไปช่วงหนึ่งแต่สติไม่ขาดแต่ถ้าความคิดเรื่องงานขาดไปตั้งนานแล้วสติไม่รู้ตัวทันทีอย่างนี้เรียกว่าความคิดเรื่องงานก็ขาดสติก็ขาด ไม่ต้องครับถ้าถ้าเราเป็นผู้ดูผู้รู้ได้โดยที่ไม่ต้องใส่คาบริการผู้โตเนี่ยพอความดูดูไปเรื่อยๆก็สอตะวัดูสอบตะวัรู้รู้อยู่กับผู้รู้ไปเรื่อยๆพอความคิดทั้งหลายหายไปก็เหลือแต่ความว่างเปล่าก็รู้ความว่างเปล่าทันไว้รู้ที่ความว่างเปล่าอย่างนี รู้ความที่ไม่คิดนั้น น, นรู้ไวเรื่อยเรื่อยแต่ไม่ใช่ว่าพอไม่คิดเราคิดว่าเอ๊ะไม่เห็คิดอะไรเลยอย่างนี้ก็เรียกว่าคิดก็รู้ที่ความคิดนั้น่าในความบ้างในความที่รู้นั้นใจไม่วอกแวกนั้นเป็นสมาธิแต่ที่รู้สอบแต่รู้แล้วไม่ติดกับความว้างเปล่าไม่ติด อ, อยู่กับอะไรอยู่กับผู้รู้นั้นจะวิปัสนา วิปัสนาคือรู้แล้วไม่จิตอะไรใจขาดออกจากสิ่งที่รู้เรียกว่าวิปัสนาวิปัสนาแปลว่ารู้แจ้งแทงสะลุไม่จิตสิ่งใดไม่กเกาะเกี่ยวสิ่งใดเรียกว่าวิปัสนาวิปัสนาแปลว่ารู้แจ้งแทงสะลุสัดขาดกะเด็นส่วนสมถะนั้นใจเป็นสมาธิอยู่กับสิ่งนั้นไม่บอกแวกไปสิ่งอื่นรู้ว่าคิดก็รู้ว่าคิดไม่คิดแล้วใจวางเปล่าก็รู้ว่าใจไม่วางเปล่าในขณะที่รู้ อยู่ว่าใจว่างเปล่าอยู่นั้นก็รู้อยู่ว่าใจว่างเปล่าใจไม่ว่างเปล่าก็รู้ว่าใจไม่ว่างเปล่าการที่รู้ต่อเนื่องแล้วจะเป็นสมาธิต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่างนี้เรียกว่ามีสมาธิแบบผลของการที่รู้แล้วใจไม่ติดอยู่กับสิ่งที่รู้นั้นเรียกว่าวิปัสสนาคือรู้แล้วใจขาดออกจากสิ่งที่ถูกรู้คือสมถะกับวิปัสสนามันเป็นขณะติเดียวไม่ได้แยกกันแยกกันในขณะนนั้นสมถะ หรือสมาธิหมายถึงใาจาที่สงบวิปัสนาหมายถึงจาจที่รู้แจ้งขาดออกเก็กสิ่งที่ไปรับรู้เหลือแต่รู้เปล่าๆบดิสุดตลอดเวลาเป็นขนาะจิตเดียวไม่ได้ทำคนละตอนคน ล, ละทีท่านจึงกล่าวว่าสมาธิต้องเกิดจับสติ คือถ้ามีสติรู้อยู่ก็จะมีสมาธิมีปัญญาถ้าสติหายสมาธิก็หายปัญญาก็หายสติขาดสมาธิขาดปัญญาก็ขาดถ้าสติมีสมาธิมีปัญญามีสติเป็นมหาสติเป็นมหาสมาธิเป็นมหาปัญญาสมาธิเกิดจากสติที่ตั้งมั่นบางคนเคยถามว่าอาจารย์ตอนนี้จะฝึกสมาธิไม่ฝึกสติถ้าฝึกสมาธิไม่ฝึกสติทําไม่ได้ เพราะว่าสมาธิก็ไม่มีเลยถ้าอย่างงั้นทำไมมีสติก็ไม่มีสมาธิด้วยจะแยกสุดกันไม่ได้ใครสงสัยสิ่งใดต้องให้เคลียร์นะไม่ชัดเจนไม่งั้นเดี๋ยวปฏิบัติคุมคุมเคลือเือไม่ชัดเจนสงสัยให้ใจถามใม่กระจ่างก็ต้องเก่งใจคุณหมอที่งสงสัยนะสงสัยถามได้เ บางท่านปฏิบัติสามารถที่จะรู้อยู่เปล่าๆได้เลยสอบแต่ว่ารู้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องอาศัยกคำบริกรรมใดๆก็ให้อยู่กับรู้เลยอยู่กับรู้คิดขึ้นมาก็รู้ไม่คิดก็รู้ใจสงบก็รู้ใจไม่สงบก็รู้อยู่กับรู้เลยอยู่กับรู้หลวงปู่ดูลย์โตโรพระอรหันต์องค์หนึ่งเนียใครถามท่านแล้ว ก, ก็มาอยู่กับรู้อยู่กับรู้อยู่กับรู้นี่แหละรู้รรรนี่แหละรู้เปล่าๆบริสุทธิ์ รู้สอกแต่ว่ารู้ร้อนําตัวนอกสมาธิแล้วร้อนําตัวใช่ไห ม, ม, ไมไลุงนน ก, กไ็ไม่เป็นไรนะสอบก็าสอกแต่ว่ารู้มันมีรางทีก็แบบบูบูว่าร้อนร้อนพวกโว้วาใช่ไหมไม่เป็นไระรู้ก็สอกแต่ว่ารู้ไปมาการที่มันร้อนพวกโว้วาเน็มาจากใจกที่ตั้งมั่นขึ้นมา บางทีเราอาจจะตั้งใจจัดมากเกินไปเราก็ผ่อนคลายมาหน่อยก็ได้เป็นไรสงสัยอะไรไหมอาจจะตั้งใจจัดมากไปก็ผ่อนคลายเราหนะ่อยนคนที่มีปัญญาเป็นเลิศมีบุญวาสนาบารมีเก่ามาต่องสมมาเป็นเลิศแล้วมาสองสมบุนวาสนาบารมีเก่ามา เต็มที่แล้วมีสติสัญญามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์นั้นสามารถจะทำความเข้าใจในเรื่องของความเป็นที่สุดได้คือสามารถที่จะทำความเข้าใจได้ว่าเปรียบเทีย บ, เ, ยบเหมือนกับว่าที่รอบรอบรอ บ, บริเวณสารแพ่งกรุงเทพใต้ในขณะ น, นี้มีเสียงสุดสึด้นโคม มีเสียงดนตรีเสียงวัดมีงานเสียงรถเปิดหน้าต่างออกไปรถ ล, ลาววิ่งกันเต็มถนนคนผู้คนก ว, วักไกวภายนอกวุ่นวายแต่ภายในใจสงบภายนอกสารแท่งกรุงเทพใต้วุ่นวายแต่ภายในใจสงบแม้จะมีเสียงสุดกัมครือโคมของงานวัดที่ติดอยู่กับสารแท่งกรุงเทพใต้นี้ มีเรือแล่นอยู่ในแม่น้ําเจ้าพยามีรถแล่นอยู่บนถนนกว้างมีผู้คนมีตึกรามวัดช่องเบียเดเสียดสานี่เต็มไปหมดแออัดยัดเยียเพราะสถานีตั้งอยู่กลางเมืองแต่ในความวุ่นวายสับสนซึ่งเป็นธรรมชาติของเมืองใหญ่ก็ต้องเป็นอย่างนี้แต่ใจไม่วุ่นวายใจสงบใจว่างเปล่าจะเห็นว่าในท่ามกลางความวุ่นวายแต่มีใจที่สงบที่ว่างเปล่า สังเกตให้ดีๆแม้แต่มีเสียงเพลงเสียงอุกติสุขโคมเสียงตึงๆๆๆข้างนอกแต่ในความวุ่นวายนั่นเองในความอึกติสุขโคมนั่นเองแต่ใจสงบกลางเปล่าจากความอึกทึกทุขโคมนั้นโดยไม่ได้พยายามไปทําให้เสียงที่อุก<ร>ึกสุโขโคมหรือความวุ่นวายจากคนจัดสิ่งของลดลาเสียงเพลงเสียงดนตรีเสียงโมฮูรีต่างๆรอบ สารแข็งเต็มใตนี้ให้ดับหายไปละลายหายไปหมดให้เหลือแต่ความว่างเปล่าสิ่งนั้นเขาก็ยังมีของเขาอยู่ตามธรรมชาติแต่ใจเราเท่านั้นที่สงบและว่างเปล่ากับสิ่งเหล่านั้นมีใช่พยายามไปทําให้จิ่งเหล่านั้นว่างเปล่าถ้าท่านเข้าใจหลักเกณฑของธรรมชาติอันนี้ท่านจะเข้าใจของหลักขอ ง, ขอ ง, ของธรมงธรมะเบื้องสูงได้มิฉนั้นท่านจะพยายามไปบอก ให้วัดเลิกเปิดมหาวกรรมไปบนถนนไม่มีรถวิ่งภายในกรุงเทพไม่มีผู้คนใจของท่านจึงจะสงบและว่างเปล่าท่านจะพยายามทําให้ภายนอกทั้งหมดว่างเปล่าภายในใจของท่านจึงจะว่างเปล่าท่านไม่สามารถทําอย่างนั้นได้เด็ดขาดเพราะว่าที่นี่เป็นกรุงเทพ ย่อมมีความผูกพลาดมีความวุ่นวายเป็นธรรมชาติของเมืองใหญ่ใจเราเท่านั้นที่สงบและว่างเปล่าในท่ากลางความวุ่นวายถ้าท่านเข้าใจถึงธรรมชาติในภายนอกนต้องกาจะเข้าใจถึงธรรมชาติภายในใจของท่านธรรมชาติภายในใจของท่านย่อมมีความรู้สึกนึกคิดมีอารมณ์ มีอาการทางกายมีอาการทางใจมีปฏิกิริยา ม, มีอาการทางจิตมีพุติแห่งจิตอยู่ตลอดเวลาสลับสับเปลี่ยนวนเวียนไปถึงแม้จะว่างจากความคิดก็ว่างได้ช่วงขนาดหนึ่งเดี๋ยวก็คิดขึ้นมาเขามีความรู้สึกเมืันคิดมีความปรงแต่งอยู่ตลอดเวลาจะว่างก็ว่างอยู่ได้ไม่นาน ภายในจิตใจเราก็เปรียบเหมือนรอบๆสามแห่งกรุงเทพใต้อยู่ในขณะนี้ที่มีทั้งเสียงมโห و ل เสียงรถเสียงเครื่องยนต์ผู้คนวักว่ายภายในใจเราก็เป็นเช่นนั้นตลอดเวลาย่อมมีความเคลื่อนไหวย่อมมีความเปลี่ยนแปลย่อมมีความเกิดดับย่อมมีการกระเพื่องย่อมมีความคิดนึกต่กตอปรุงแต่ง เว้นจาักการคิดนึกฝึกตองปรงแต่งบ้าเดี๋ยวก็คิดนึกึกตองปรงแต่งขึ้นมาสลับสรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอย่างนี้ตลอดเวลาแต่ถ้าท่านสังเกตให้ดีๆในความที่เป็นธรรมชาติของจิตนั้นซึ่งมีความกระเพื่อมมีความไวตัวมีปฏิกิริยาของจิตนั้นในช่องควางความบู้รลายของจิตในเครื่องกลางความกระเพื่อมความไหวตัวของจิตนั้น ก็มีใจที่ว่างเปล่าตรงนี้เป็นสาระสําคัญมากในภายนอกศาลแห่งกรุงเทพใต้มีความคุ้นวายมีความวุ้นวายจาเสียงมโหรีเสียงรู้รึกึ้นคมในขณะนี้ใจใจของท่านมีควาสมสงบแล้วว่างเปล่าภายในใจของท่านในขณะทุกขณะปัจจุบันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ในประการต่างๆตลอดเวลา แต่ในทาการความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ตลอดเวลานั้นภายในใจของท่านมีความสงบและว่างเปล่าอยู่ในทำการความวุ่นวายมีความย่อมมีความสงบและว่างเปล่าในทาการความสงบและว่างเปล่านั้นย่อมมีความวุ่นวายอยู่ตรงนี้ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจคาดเคลื่อนหลายท่านก็คือว่าพยายามให้ภายในใจของตนเองปราศจากความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ในใจทั้งมวลปราศจาก อาการหรือปฏิกิริยาใดๆทั้งมวลพยายามทําให้ใจของตัวเองว่างเปล่าจากปฏิกิริยาใดๆทั้งมวลไปทั้งหมดแล้วเขาเข้าใจผิดคิดว่านั่นแน่คือใจที่ว่างเปล่าเขาทำเช่นนี้เขาไม่สามารถที่จะพบกับใจที่ว่างเปล่าเช่นนั้นได้เลยเพราะธรรมชาติของจิตเยอดคิดนึกอยู่ตลอดเวลาเป็นแต่ว่าเขาค้นพบสัจธรรมว่าธรรมชาติภายนอกก็เป็นอย่างนี้ ธรรมชาติภายในก็เป็นอย่างนี้ยอมรับตามความเป็นจริงทุกขณะปัจจุบันที่เป็นอย่างนี้โดยใจนั้นมีความสงบและว่างเปล่าไม่เข้าไปเป็นทุกข์ไปวุ่นวายกับสิ่งที่เคลื่อนไหวกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงกับสิ่งที่กระเพื่อมกับสิ่งที่ส่ ง, สงเสียงดังนั้นเลยใจก็จะถึงซึ่งใจซึ่งมีแต่ควาสมสงบและว่างเปล่าจริง แล้่ไปเ่รจะอกรู้เป่าป่ารู้นอาจาจะบที่ผมจรู้จบุดจบที่รู้รู้ว่าวรู้เปล่าป่ารู้ทานอีกจะไแค่งครับจับแต่ว่ารู้รู้ตามความเป็นจริงก็รู้อยากทานอีกก็รู้ ครั บ, บก็รู้ว่าอยากอ่อก็จบที่รู้ไม่ได้จบที่ตินอยากเพราะเมื่อรู้เสร็จแล้วความอยากมันก็ดับไปรู้ว่าอยากไม่อยากได้แต่รู้ว่าอยากรู้ว่าอยากแล้วจบที่รู้แต่ไม่ตามใจอยากจบที่รู้ไม่ตามใจอยากถ้าตามใจอยากก็ไม่จบที่รู้เรียกว่าอย่างนั้นไปจบที่อยาก จะไปจบที่อยากทุกครั้งไปอย่างนั้นเรียกว่าเป็นกิเลสแต่ถ้าจบที่รู้จะเป็นธรรมเพราะธรรมรู้แล้วจบรู้แล้วจบรู้แล้วปล่อยวางรู้แล้วว่างเปล่ารู้แล้วจบรู้แล้วปล่อยวางรู้แล้วว่างเปล่าล Xing, ล ale, ทุกขณะปัจจุบันนั่นคือธรรมแต่ถ้าไปจบที่อยากอันนั้นจะเป็นกิเลสอยากก็รู้แต่อยู่ที่ว่าจบที่รู้หรือไปจบที่อยากถึงแม้เขาอยากก็รู้ พอใจก็รู้ไม่พอใจก็รู้ไปจบที่ความพอใจหรือว่าจบที่ความไม่พอใจหรือว่าจบที่รู้ถ้าระจบที่ความพอใจจะต้องให้ได้ให้เป็นให้ถึงอย่างที่พอใจถ้าระจบที่ความไม่พอใจก็จะต้องที่หลนผักใสให้ได้ให้เป็นให้พบกับความต้องการอย่างที่ตัเองไม่พอใจอย่างนั้นเรียกว่าไปจบที่ความพอใจไปจบที่ความไม่พอใจจะให้จบที่รู้ รู้แล้วมาจบไปจะพอใจหรือไม่พอใจก็สักแต่ว่ารู้ไม่ตามใจความพอใจไม่ตามใจความไม่พอใจไม่ตามใจความอยากก็จะไม่ไปจบที่อยากไม่ไปจบที่ความพอใจไม่ไปจบที่ความไม่พอใจไปจบที่รู้รู้แล้วมาจบปล่อยวางว่างฟังเราธรรญาเราขั้นตอนอย่างไรถ้าเราทำไปแล้วเราประเมินผลว่าไม่ได้แล้วเราดูว่ามันจะไม่ดี ไม่ไม่มีไม่มีไม่ดีไม่มีคําว่าดีหรือไม่ดีก็คือว่าไม่ได้อย่างเป่ามีแต่ไม่ได้อย่างเป้าแต่ไม่มีดีไม่ดีถ้ามีดีไม่ดีทุกจะเป็นความทุกข์แต่เพียงแต่รู้ว่าไม่ได้อย่างเป้าแล้วก็พัฒนาต่อไปให้ได้อย่างเป้าก็รู้อีกว่าไม่ได้อย่างเป้าแล้วก็พัฒนาต่อไปให้ได้อย่างเป้าหมายที่วางไว้ถ้าเข้าไปมีความหมายมั่นว่าดีไม่ดีนี่ไม่ดีเลยไม่ได้อย่างเป่าจะเป็นทุกทันที ที่เข้าไปยึดความดีไม่ดีความพอใจแต่ว่าพอใจไม่พอใจแตรู้ตัวไม่พอใจรือว่าความพอใจเป็นเรื่องของธรรมชาติเมื่อได้เป้าก็ต้องพอใจเมื่อไม่ได้อย่างเป้าก็ไม่พอใจแต่ไม่ตามความพอใจไม่พอใจก็รู้ตัวว่ามีสติรู้ว่าขณะนี้ได้อย่างเป้าแล้วเกิดความพอใจแต่ก็รู้ว่าพอใจก็สับแต่ว่าพอใจก็เมื่อได้อย่างเป้า ใจพอใจขึ้นมาจะไปห้ามได้ยังไงเมื่อใครทําด้อย่างเป้าก็ย่อมพอใจเมื่อไม่ได้อย่างเป้าก็ยังไม่พอใจแต่เรื่องแบบหนึงไม่พอใจก็แต่ว่ารู้ว่ะก็ไม่ไดีอย่างเป้าไม่พอใจก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่มีอะไรต่อจากความพอใจไม่พอใจรู้แล้วก็จบไปแค่นั้นจึงจบที่รู้ตลอดถึงแม้เขาจะมีความพอใจมีความไม่พอใจมีความอยากความไม่อยากใดๆเกิดขึ้นก็รู้ รู้ตลอดเวลาแต่ถ้าไม่รู้เป็นโมหะทันทีไม่รู้ตัวเป็นโมหะทันทีหลงเลยเป็นความหลงไม่รู้ตัวเป็นโมหะทันทีแต่ถ้ารู้แล้วจบก็จบที่รู้แต่ถ้ารู้แล้วเกิดความพอใจเกิดความอยากแล้วตามใจความ ต, า, ตามใจความอยากวามใจความพอใจอย่างนี้เป็นลาคะเป็นความโลภเป็นกามฉันทะ แต่ถ้าเกิดความไม่พอใจเกิดความไม่ชอบใจที่หลนผับใสก็รู้ถ้ารู้แล้วก็ไม่เป็นโมหะแต่ถ้าไม่รู้แล้วเป็นโมหะหลงเหลยอนทุกข์ไม่ได้เมื่อเกิดความไม่พอใจเกิดความไม่อยากที่หลนผับใสก็รู้พอรู้แล้วพอตามใจความที่หล่นรับใสตามตามใจความไม่พอใจนั้นมีความหงุดผิดตีโพตีพายวยวออกมา อย่างนั้นเรียกว่าตามใจความไม่พอใจอย่างนั้นเป็นโทสัเป็นโทสัตามใจโทสะพถ้ารู้แล้วตามใจความชอบใจตามใจสิ่งที่ชอบใจอย่างนั้นเป็นกามาฉันทะเป็นราคะเป็นความโลภแต่ถ้ารู้แล้วตามใจความไม่ตามใจความไม่พอใจตามใจความไม่ถูกใจจนทำให้เกิดอารมณ์ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ อย่างนี้เรียกว่าเป็นโทสะแต่ถ้าไม่รู้เป็นโมหะเป็นโมหะตั้งแต่แรกไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงการประชันภาพไม่ได้ต้องพูดถึงโทสะเป็นโมหะก็ลุกไม่ได้เลยเพราะไม่รู้เกิดขึ้นแล้วไม่รู้งนั้นสำคัญที่สุดจริงสติธรรมะแปดหมืสี่พันกรคามกัมกนสติรู้ทุกขณะปัจจุบันว่าใจของตัวเองเป็นอย่างไร รู้แล้วจบที่รู้ถ้ารู้แล้วตามใจต้องถอนออกทันทีอย่าปล่อยให้ตามใจถ้าตามใจจะเป็นกรารประันทาเป็นราคาเป็นความโลภแต่ถ้าไม่ตามใจดีดหลนผักใสบุตมีดลำการใจเพราะไม่ถูกใจอย่างนี้ก็จะเป็นโทสะก็ะจะคนทุกขหนึ่งไม่ได้เหมือนกันรู้แล้วไม่ตามใจรู้แล้วไม่ตามใจต้องติดที่พอใจแล้วไม่พอใจ แต่ความพอใจความไม่พอใจยอ่อมเกิดขึ้นได้เป็นของธรรมดาแต่จบที่รู้ไม่ตามใจถ้าไม่รู้เป็นโมหะ ร, รู้แล้วตามใจก็เสียผู้มีปัญญาจึงสามารถตึงไม่ที่รู้ได้ตลอดเวลารู้เปล่าเปล่าักแต่ว่ารู้โดยไม่ต้องมีเครื่องอะไรอาศัยรู้เลยเพราะรู้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในใจตนทุกขณะปัจจุบันแล้ว จบที่รู้ทุกครั้งไปไม่จบที่ตามใจแต่จบที่รู้นั่นเรียกว่าผู้มีบุญวัสนาบา ร, รมีเก่ามีปัญญาเป็นเลิศสามารถที่จะเข้าถึงตรงนี้ได้เลยนั้นการสุกฝนนั้นอยู่ที่ว่าฝึกให้ถูกกับบุญวัสนาบา ร, รมีที่ตัวเองต่องสมมา สเคลื่นถูกกับความรู้ความสามารถก็จะสามารถค้นทุกได้ไม่ใช่ว่าจะต้องฝึกเหมือนกันเพราะว่าความสนัดไม่เหมือนกันบุญวัสนาบารมีแตกต่างกันถ้าเลือกให้ถูกกับบุญวัสนบาตรมีของตนเองก็พ้นทุกข์ได้เหมือนกันถ้าเราไม่สามารถรู้สักแต่วรู้รู้เห็นจิตใจของตัเองทุกขณะปัจจุบันได้ก็หาเครื่องรอไว้ บริกรรมคำว่าพุทโธไว้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วมีสติรู้ตลอดเวลาว่าคิดพุทโธอยู่นะพอไม่คิดพุทโธเขาไปคิดอย่างอื่นมีอยลบอย่างอื่นแต่ตอนความคิดพุทโธเราก็รู้แล้วก็รู้อยู่ตลอดเวลาก็พบผู้รู้ได้เหมือนกันโดยที่ไม่ต้องเลือกฝึกตามผู้อื่นคือฝึกตามความสามารถเพราะแต่ละคนย่อมมีความสามารถไม่เหมือนกัน ความเข้าใจที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐินั้นสำคัญมากถ้าเข้าใจไม่ถูกต้องเป็นวิชาทิฏฐินั้นปฏิบัตินานเท่าไหร่ก็ตามไม่สามารถที่จะบรถูกได้เพราะว่าเข้าใจคาดเคลื่อนเข้าใจผิดจากหลักทำความจรงิงเมื่อเย็นก็มีผู้มาก็สอนอยู่แต่ในความเข้าใจนั้นก็ยังเข้าใจที่ยากและคาดเคลื่อนอยู่ก็คือว่า เข้าใจว่าต้องทำให้กรุงเทพนั้นว่างเปล่าจากผู้คนว่างเปล่าจากรถลาว่างเปล่าจากการจราจรที่ปีกัดว่างเปล่าจากความวุ่นวายใจก็จะสงบโดยความสงบนั้นต้องไปหาที่ที่สงบถ้าเข้าใจธรรมชาติตามความเป็นจริงว่าที่ใด มีครับมีความวุ่นวายแต่ในความวุ่นวายนั้นใจสามารถสงบได้ก็ถึงถึงความสงบใจถ้าเข้าใจผิตคลาดเคลื่อนอย่างนี้จะเข้าใจผิดไปถึงอาการภายในใจปฏิกิริยาภายในใจจะไปยุ่งวุ่นวายกับจิตที่จะทําให้จิตนั้นว่างเปล่าผู้ปฏิบัติเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นตผิดพลาดตรงนี้มาหารก็คือว่าพยายามทำให้จิตไม่มีอาการพยายามทำให้จิตไม่มีปฏิกิริยาไม่ให้จิตเกิดความไหวตัวก็เพิ่มตัวขึ้นมาไม่ให้เกิด อาการ ใ, ใดๆขึ้นมาเพื่อจะทําใจให้ว่างเปล่าจะทําใจให้นิ่งๆว่างๆแล้วจะพบกับความสุขถ้าตัวเองก็จะคิดว่าถ้าตัวเองสามารถทำ ใ, ใจของตัวเองนิ่งๆว่างๆได้อย่างนั้นตลอดไปก็จะพบกับยุทธานถ้าอย่างนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นที่ผิดแล้วปฏิบัตินานเท่าไหร่ก็จะทําให้ใจนิ่งๆพยายามทาให้ใจนิ่งๆทำใจให้ว่างว่าไม่ได้ทําให้ใจรู้และยอมรับตามความเป็นจริง ของสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยวางไปรู้แล้วปล่อยวางไปรู้แล้วปล่อยวางไปตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจริงในขณะปัจจุบันใจก็จะไม่ทุกข์ไม่งั้นจะทนไม่ได้กับทุกข์อาการมีอาการอะไรขึ้นมามีความพอใจไม่พอใจอะไรขึ้นมาใครมารทำให้ใจของตัวเองมีอารมณ์ขึ้นมาจะทนไม่ได้จะโทษผู้อื่นว่า ทำให้ตัวเองมีอารมณ์ทำให้ตัวเองมีอาการเมื่อกระทบย่อมมีอาการเมื่อถูกด่าย่อมมีอารมณ์เป็นของธรรมชาติแต่จบที่รู้หรือว่าจบที่ตามใจถ้าจบที่รู้พระอหันก็มีแต่จบที่รู้หลวงปู่ดูลยนาซโลกล่าไว้ชัดเจนมีผู้มีพระถามท่านว่าหลวงปู่ยังโกรธอยู่หรือไม่ยังมีโกรธอยู่หรือไม่หลวงปู่ตอบว่ามี แต่ไม่เอารู้แัแต่ว่ารู้ไม่ใช่ว่าไม่มีวันนี้น่าจะชัดเจนไมงั้นท่านจะพยายามทําให้ว่างเปล่าจากอาการเมื่อใครทําให้เกิดอาการทางใจแล้วท่านจะ ต, นตําหนิจีเทียนผู้ที่มาทําให้เกิดอาการทางใจทันทีเพราะท่านพยายามทำใจให้ว่างเปล่าทาใจให้ว่างว่างทำใจให้นิ่ง ดังนั้นใครจะมากระทบท่านไม่ได้เลยกระทบพวกท่านเกิดเรื่องกันทีแล้วท่านจะใจของท่านเ็จะตตจหนกทันทีและโกรธทันทีกับผู้ที่มาทําให้เกิดอารมณ์นั้นเพราะท่านเชื่อมัน่นมาตลอดเวลาว่าใจต้องว่างเปล่าจึงจะบรรลุพระนิพพานซึ่งเป็นวิชาทิ่ผิเป็นความเห็นที่ผิดใจว่าหรือคิดว่างนั้นไม่ถึงว่างจากการที่เขายุ่งวุ่นวายกับสิ่งใดๆ รู้สักแต่ว่ารู้แล้วจบไปรู้สักแต่ว่ารู้แล้วจบไปตามความเป็นจริงเขากระทบแรงก็ย่อมเกิดอารมณ์แรงมีสิ่งใดมากระทบแรงก็ย่อมเกิดอารมณ์แรงกระทบค่อยก็ย่อมเกิดอารมณ์ค่อยกระทบปานกลางก็ย่อมเกิดอารมณ์ปานกลางตามความเป็นจริงของสิ่งที่มากระทบแต่รู้สักแต่ว่ารู้แล้วไม่ตามใจสิ่งนั้นไปก็เรียกว่าจบเช่นเดียวกับของพระอรหันทั้งหลายจบที่รู้ไม่ได้จบติดตามใจ แต่ไม่พยายามทำใจของตัวเองที่จะไม่ให้มีอาการใดๆอย่างนี้ชีวิตของท่านจะอยู่อย่างเป็นสุเพราะใจของท่านยอมรับต่างความเป็นจริงทุกหน้าและจบที่รู้ล่ำไปดีก็สักแต่ว่ารู้ชั่วก็สักแต่ว่ารู้ใจเป็นบุญก็สักแต่ว่ารู้ใจเป็นบาปก็สักแต่ว่ารู้ใจเป็นกุศลก็สักแต่ว่ารู้ใจเป็นอกุศลก็สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้ล่าไป แล้วจบที่รู้ไม่จบที่สามใจมันแน่ติจะเป็นธรรมที่ท่านกล่าวว่าผู้รู้นั่นแหละคือธรรมนอกจากผู้รู้แล้วไม่มีอะไรเป็นธรรมรู้เฝ้าๆบริสุทธิ์ดังที่สมเด็จพระสมาสัามพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระสาวกว่าดูก่อนทิสูุทั้งหลาย ผู้ใดมาเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ด้า ย, ยินรู้สักแต่ว่ารู้ใจของผู้นั้นจะว่างเปล่าจากความยึดมั่นถือมัน่นมีความปลอดโปร่งแจ่มใสเบิกบานอยู่ตลอดเวลานี่พุทธพจ น, น์สั้นรู้สักแต่ว่ารู้ จะดีจะชั่วจะเป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลอาบุลจะเป็นอาการที่ถูกใจเป็นอาการที่ไม่ถูกใจอาการนั้นจะชอบใจอาการนั้นเราจะชอบใจอาการนั้นหรือไม่ชอบใจอาการนั้นก็สอบแต่วรู้เราจบที่รู้รู้แล้วก็จบที่รู้ไม่ตามใจเรื่อยไปฝึกหัดในจํานานตั้งแต่อาการเล็กๆต้องฝึกหัดจากอาการเล็กๆไปก่อนจะไปสุกหัดจากอาการใหญ่ๆเลยมันทนได้ยากลําบาก ถ้ามีอาการใหญ่ๆมีอารมณ์ใหญ่ๆเกิดขึ้นในใจในขณะปัจจุบันนั้นถ้าพนไม่ไหวไม่สามารถรู้สักแต่ว่ารู้จบที่รู้ได้รู้ตัวตลอดเวลาว่าเดี๋ยวจะต้องตามใจอาการนั้นไปแล้วตามใจอารมณ์นั้นไปแล้วให้รู้ท่าทันละเปลี่ยนความสน้ใจไปเป็นอย่างอื่นทันทีรู้เท่าทันเปลี่ยนความสัใจไปเป็นอย่างอื่นทันทีเพื่อไม่ให้ต้องตามใจสิ่งที่ถูกรู้นั้นไปไม่ต้องตามใจอารมณ์ตามใจอาการนั้นไป ถ้าเราสามารถที่จะต้านไหวรู้สอบแต่ลารู้แล้วจบทีรู้ได้เราก็จะวัดกําลังของเราเองได้ว่าเราสามารถที่จะตอบก่อนกับทุกสรรพสิ่งได้โดยเหลือแต่รู้แล้วจบทีรู้ไม่ตามใจแต่ถ้าเราทนไม่ไหวเราต้องตามใจสิ่งนั้นไปวิธีแก้ที่ดีที่สุดที่เร็วที่สุดก็คือเปลี่ยนความสนใจขยับทําความรู้สึกตัวขึ้นมาขยับกายทําความรู้สึกขยับแขนขยับขาขยับตาไปได้ ทำความรู้สึกตัวขึ้นมาเร็วๆแล้วเปลี่ยนความสนใจทันทีไปเป็นอย่างอื่นทันทีลุกไปเปิดตู้เย็นกินน้ำสักแก้วหนึ่งใจที่เรียกว่าของขึ้นที่จะเกิดอารมณ์ต่อกันกระทบการรุนแรงก็จะไม่เป็นในงานเดี๋ยวกําลังจะโต่อตอบกลับไปอยากรุนแรงไม่สามารถจบที่รู้ได้ก็มันจะตามใจอาการมื่อรู้ตัวอย่างนั้นรู้ว่าเราไม่สามารถต่อกรกับอารมณ์เหล่านี้ได้ต่อกรกับกิเลสที่เกิดขึ้นในใจได้ ให้ขยับตัวขยับกายทําความรู้สึกตัวทันทีและเปลี่ยนความตัวใจไปเป็นอย่างอื่นทันทีถ้าชกซึ่งๆหน้าไม่ไหวก็ต่อฟิวหลบไปหลบมาหลบไปหลบมาจนกว่าจะมีโอกาสที่จะสามารถตอบก่อนได้จริงๆเราก็ตอบก่อนกับสิ่งนั้นได้เพราะเรารู้กําลังของเราว่าเราสามารถที่จะรู้และจบที่รู้แต่ถ้ารู้แล้วต้องไปจบที่ตามใจทุกครั้ง เราต้องรู้กำลังของตัวเองแล้วเราก็รู้ทัาานและเปลี่ยนความตั้งใจไปใน อ, อื่นทันทีทุกครั้งที่เกิดอารมณ์อย่างนั้นไม่งั้นท่านก็จะกดข่มอึดอึดอๆดอดอึแล้วเก็บกดอยู่ภายในหรือไม่งั้นก็มีปัญหาออกไปจะชกแชมโลกต้องวัดกำลังของตัวเองเราจะทิ้งแชมโลก ต้องวัดกำลังของตัวเองว่าตัวเองที่จะตอบกรนได้ทุกอารมณ์ทุกความคิดทุกปฏิยาของจิตไหมถ้าตอบกรนไม่ไหวก็ปลิ้วๆไปก่อนหลบๆไปก่อนมันก็จะไม่มีแรงประทะที่แรงๆเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดในอุบายแสงความเสื่อมและความเจริญ ไม่ใ่ทนทนไปเรื่อยทนไปโดยที่ไม่มีปัญญาก็แย่เหมือนกันอาจารย์บอกวัยรู้แต่ว่ารู้บางคนทนอยู่ทนไปอยู่เรื่อยๆองมีปัญญามีปัญญาเราเป็นมนุษย์ูุจจาดต้องมีปัญญามีบ า, นน า, ง, ญญางคนปฏิบัตินะ รู้ว่าเจ้านายทําความผิดไว้รู้ว่าเจ้านายจะมาว่ามาเล่าให้ฟังว่าอาจารย์หนูเก่งมากเลยโอ้ยอดเยี่ยมหนูทําได้ยอดเยี่ยมมากหนูเก่งมากเลยหนูทําได้แล้วที่อาจารย์สอนนั่นทําได้อย่างไรวันนึงหนูทําอะไรผิดเห็นเจ้านายเดินมาแต่ไกลหนูรู้แล้วเจ้านายต้องหลางอย่างนี้เลยพอเจ้านายเดินมาถึงใกล้นะ ไม่รู้เขาทาใจของเขาอย่างไรเก่งมากจริงๆผมยังทําไม่ได้เลยคือเห็นแต่ปากเจ้านายกระมุกกรมิบกสมมุกกระมิบกระมิบแต่ไม่ได้ยินเสียงเจ้านายด่าเลยไม่รู้ทําได้อย่างไรผมยังทําไม่ได้แบบนี้คือดับจิตไปเลยดับเสียงไปเลยโอหมันยินเสียงเลยบอกหนูเห็นแต่ปากเจ้านายกระมุกกรมิบกสมมุกกมิบหนูรู้แล้วว่าเจ้านายต้องด่าอะไรแต่หนูไม่ได้ยินเสียงว่าเจ้านายด่าอะไรพอเจ้านายเดินเลยไปแล้วหนูจึงรู้สึกตัวขึ้นมา พอรู้สึกตัวขึ้นมาน่นเจ้านายเดินเดินเลยสงสัหละเนี่ยแล้วลก็ดีใจมากเลยเรีบมาเล่าให้ฟังอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะไม่ถูกต้องอย่างนี้เรียกว่าดับกิจชนดับเครื่อชนไม่ได้เลยนี้ไม่ใดมันต้องอยู่ในะภาวะใจที่ปกติมันมีใครสงสัยไหม มาหมอสงสัยอะไระอหาเดินไปครับถ้าพหาเดินไปเดี๋ยวุนกเนี่ยวิ่งไล่ขับว่าวิ่งวิ่งไรกัดท่านเะรอโอพระละหานเขาก็ต้องมีปัญญาอยู่แล้วไม่ใช่ยืนยืนให้หใหตุนักกัดกต้องมีปัญญาที่ทำยังไงไม่ให้ถูกตุนักกัดพระอะหานเขเป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศันไม่ยืนที่เยปให้ตุนักกัด ก็ต้องมีปัญญารู้ตัวว่าจะทํายังไงทําให้ตัวนั้นไม่กลับแล้วแต่ว่าปัญญาและความรูปป้ความสามารถของท่านบางทีท่านแค่อธิษฐานจิตแผ่เมตตาให้ไปด้วยอำนาจของพระอรหันต์นั้นจิตที่บริสุทธิ์อยู่แล้วนั้นแทนแผ่เมตตาไปสัพพะตั้งหลายเมดูาดราชลยก็ผ่อนโยนลงแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรคนทั้งหลายก็มีคก็รู้สึกว่าเออท่านไม่ต้องทําอะไรยินเฉยไป ถ้าเป็นพวกเราเราก็ต้องมีปัญญาหลบหลีวกวิ่งใดก็วิ่งก็ต้องมีปัญญาหาจะหาไม้ใดก็ต้องหาไม้รู้สับแต่ว่ารู้แต่ว่ารอไม่ให้เข้าใจรู้สับแต่ว่ารู้ต้องกอดด่อใจปัญญาต้องมีปัญญาตลอดมีคนมาถามอะไรกลงวันแล้วจะาพวกขึ้นบ้านเต็มหมดเลยจะทํำยังไงดีไม่อยากฆ่าพวก แล้วก็มาแล้วก็ต้องวัดสารอาจารย์มดขึ้นบ้านเต็มหมดจะทำยังไงดีเธอมีปัญญาเธอก็ต้องรู้เองว่าเธอจะออกไปอยู่นอกบ้านหรือจะจะให้ปวกกับมดอยู่ในบ้านแล้วเธอก็ไปเ อ, เอาเสื้อเอาหมอนไปนอนนอกบ้านและปวกกับมดอยู่ในบ้านมน ม, มีปัญญาก็ต้องรู้ตัวว่ารู้ว่าเราจะทําอย่างไรเราทํำยังไงไม่ฆ่าเขาได้ก็ใช้ได้แต่ทำยังไงที่เราก็ไม่ฆ่าเขาแต่เราก็ไม่ออกไปนอนนอกบ้าน เราก็เลี่ยงจะถึงที่สุดนั่นแหละต้องมีปัญญามีปัญญาดีรู้ศักแต่วารู้แต่ต้องมีปัญญาพ ร, ร, ระลานท่านไม่ไม่โกหกไม่พูดปลดไม่พูดปลดแล้วไม่โกหกแล้วทีนี้ตำรวจก็วิ่งไล่จับโจรมาโจรก็วิ่งผ่านหน้าท่านไปตำรวจก็วิ่งตามม า, าท่านก็รู้ว่าได้ปัญญาของท่านนะก็รู้ว่า เดี๋ยวตำรวจจะต้องมาถามว่าเห็นโจรวิ่งมาตรงนี้หรือไม่ถ้าท่านบอกเดี๋ยวตำรวจก็ยิงโจรตายด้วยปัญญาของท่านอ่ะท่านก็ขยับถอยหลังไปก้าวหนึ่งพอตำรวจวิ่งมาตำรวจมาถามท่านจริงๆว่าลุงพ่อเห็นโจรวิ่งผ่านไปตรงเห็นโจรวิ่งผ่านไปไหมท่านบอกว่าที่ยืนอยู่ตรงนี้ไม่เห็น พราไมได้ยืนตรงที่เดิมนะย้ายที่ดืนไปแล้วที่ยืนอยู่ตรงนี้ไม่เห็นท่านก็ไม่ได้โกหกอะไรเพราะท่านย้ายจากที่ตรงนั้นไปแล้วนี่ก็เป็นอุบายชาตลาดของท่านไม่ต้องโกหก